ฐานะของความคิดในกระบวนการของการศึกษาหรือการพัฒนาปัญญาก่อนจะพูดกันต่อไปในเรื่องวิธีคิดขอทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับฐานะของความคิดในกระบวนการของการศึกษาโดยเฉพาะในการพัฒนาปัญญาที่เป็นแกนกลางของการศึกษานั้นก่อน จุดเริ่มของการศึกษาและความไร้การศึกษาตัวแท้ของการศึกษาคือการพัฒนาตนโดยมีการพัฒนาปัญญาเป็นแกนกลางนั้นเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปภายในตัวบุคคลแกนนำของกระบวนการแห่งการศึกษาได้แก่ความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นแนวความคิดทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องดีงามเกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคมสอดคล้องกับความเป็นจริงเรียกสันส้นๆว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อรู้เข้าใจคิดเห็นดีงามถูกต้องตรงตามความจริงแล้วการคิดการพูดการกระทาและการแสดงออกหรือปฏิบัติการต่างๆก็ถูกต้องดีงามเกื้อกูลนำไปสู่การดับทุกข์ แก้ไขปัญหาได้ในทางตรงกันข้ามถ้ารู้เข้าใจคิดเห็นผิดมีค่านิยมทัศนคติแนวความคิดที่ผิดก็เรียกว่ามิจฉาทิฐิและการคิดการพูดการกระทำการแสดงออกและการปฏิบัติการต่างๆก็พลอยดำเนินไปในทางที่ผิดพลาดด้วยแทนที่จะแก้ปัญหาดับทุก์ได้ก็กลายเป็นก่อทุกข์ สั่งสมปัญหาให้เพิ่มพูนร้ายแรงยิ่งขึ้นสัมมาทิฏฐินั้นแยกได้เป็นสองระดับคือ 1. ทัศ น, นะความคิดเห็นแนวความคิดคิดสดีความเชื่อถือความนิยมค่านิยมจำพวกที่เชื่อหรือยอมรับรู้การกระทำและผลการกระทำของตน หรือสร้างความสำนึกในความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนพูดอย่างชาวบ้านว่าเห็นชอบตามคลองธรรมเรียกสั้นๆว่ากรร ม, มสักตาสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิระดับโลกีเป็นขั้นจริยธรรมสัมมาทิฏฐิระดับที่สองทัศนะแนวความคิด ที่มองเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันหรือตามที่มันเป็นไม่เอนเอียงไปตามความชอบความชังของตนหรือตามที่อยากให้มันเป็นอยากไม่ให้มันเป็นความรู้ความเข้าใจสอดคล้องกับความเป็นจริงแห่งธรรมดาเรียกสั้นๆว่าสัจจานุโลมิกยายน เป็นสมาทิฏฐิแนวโลกุตระเป็นขั้นสัจธรรมมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดหลงผิดก็มีสองระดับเช่นเดียวกันคือทัศนแนวความคิดค่านิยมที่ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ยอมรับการกระทำของตนกับความไม่รู้ไม่เข้าใจโลกและชีวิตตามสภาวะ หลงมองสร้างภาพไปตามความอยากให้เป็นและอยากไม่ให้เป็นของตนเองอย่างไรก็ดีกระบวนการของการศึกษาภายในตัวบุคคลจะเริ่มต้นและดำเนินไปได้ต้องอาศัยการติดต่อเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและอิทธิพลจากภายนอกเป็นแรงผลักดันหรือเป็นปัจจัยก่อตัวถ้าได้รับการถ่ายทอดแนะนชาชักจูง เรียนรู้จากแหล่งความรู้ความคิดที่ถูกต้องหรือรู้จักเลือกรู้จักมองรู้จักเกี่ยวข้องพิจารณาโลกและชีวิตในทางที่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินําไปสู่การศึกษาที่ถูกต้องหรือมีการศึกษาแต่ตรงข้ามถ้าได้รับถ่ายทอดแนะนําชักจูงได้รับอิทธิพลภายนอกที่ไม่ถูกต้องหรือไม่รู้จักคิด ไม่รู้จักพิจารณาไม่รู้เท่าทันประสบการณ์ต่างๆก็จะทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐินำไปสู่การศึกษาที่ผิดหรือความไร้าการศึกษาโดยสรุปแหล่งที่มาเบื้องต้นของการศึกษาเรียกว่าปัจจัยแห่งสมาธิมีสองอย่างคือ 1. ปัจจัยภายนอกเรียกว่าปารตโตโคสะ แปลว่าเสียงจากผู้อื่นหรือเสียงบอกจากผู้อื่นได้แก่การรับถ่ายทอดหรืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนที่คบหาหนังสือสื่อมวลชนและวัฒนธรรมซึ่งให้ข่าวสารที่ถูกต้องสั่งสอนอบรมแนะนำชักจูงไปในทางที่ดีงาม ปัจจัยแห่งสมาธิทิอย่างที่สองปัจจัยภายในเรียกว่าโยนิโสมนสิการแปลว่าการทำในใจโดยแยบคายหมายถึงการคิดถูกวิธีความรู้จักคิดหรือคิดเป็นในตำานองเดียวกันแหล่งที่มาของการศึกษาที่ผิดหรือความไร้การศึกษาที่เรียกว่า ปัจัยแห่งมิจฉาทิฏฐิก็มีสองอย่างเหมือนกันคือปรตโตโคสะเสียงบอกจากภายนอกที่ไม่ดีงามไม่ถูกต้องและอายนิโสมนสิการการทำในใจไม่แยบคายการไม่รู้จักคิดคิดไม่เป็นหรือการขาดโยนิโสมนสิการนั่นเอง